ขอความเจริญในธรรมจูงมีแต่ท่านผู้ฟังเทงลาไแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังเสนอปฏิจจสมบาทมาถึงชาตินะฮะวันก่อน่พูดถึงพบแล้วก็มาถึงชาติประเดีกควธรรมชาติก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าหมายถึงเกิดในกำเนิดทั้งสี่ไม่ใช่ชาติที่พูดว่าพระพุทธเจ้าประสูตรสริสัตนิพพานในวันเดียวกันก็คือวันที่สรุวนิพพุนมากไปไหนะ กุลกาลลเทศะกันแล้วผู้เจ้าไม่เคยอธิบายชาติในลักษณะอย่างนั้นควชาติในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือการเกิดการเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดดูก่อนพิสูจนงหลายนี่เราเรียกว่าความเกิดก็เกิดในกำเนิดทั้งสี่เกิดในขั้นเกิดในไข่เกิดในของสกปรปกเกิดโดยผุดขึ้นโอปปาติกะนี่คือเกิดโดยผุดขึ้นเยอะกว่าเพื่อนทีนี้ เมื่อมีชาติคือความเกิดชารามรณะเนี่ยมันก็เป็นผลพวงยาวเป็นแถวนะฮะถือถ้าเรานึกถึงทุกข์สัตว์ที่เราสวดชาติปีตกขะเชราปีตุขะนํามานําปีตุขังโซเกฮิปีเดเหิตุแกฮิกว่าไปเรื่อยๆนะั้นจนถึงอุปาญาตมันก็เป็นผลเฉยๆหมายความว่าถ้าไม่มีชาติมันก็จบละพวกนี้จึงเป็นวิบาก นะเราจะเห็นว่าถ้าเราเรียงเ ร, เรียงกลับไปเรียงกลับไปหน่อยนะฮะคือจะเห็ น, หนได้เจนเลยว่าตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสภพเนี่ยเป็นกรรมในกรรมมาภพบเนี่ยมันเป็นกรรมทีนี้ไอตัวอุปัติภพตัวชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นวิบากคือเป็นผลทีนี้แแรงเราเรียงตามโครงสร้างของอริยสัจเราจะเห็นว่าอาวิชชาไม่ใช่ตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยมันเป็นสมุทยัย นอนนี้ก็เป็นทุกข์นะฮะเห็นไหมอุปัาติภพเองก็เป็นสภาวธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะชาติก็ก็เป็นทุกข์คือชาติปีตุขานี่ก็ชัดเจนอยูาาย่แล้วชาติก็เป็นทุกขกษัตริย์มรณะโศกกะเปเทวะก็แล้วแต่จะนับไปนะเพราะฉนั้นพวกนี้ให้ลองสังเกตว่าชารากับมรณะเนี่ยที่จริงชาราเนี่ยเราก็ชักจะชอบนะ คือตอนเขาท่านแบ่งเป็นสองตอนตอนหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิจจานะชราคือชราปิดเราเรียกว่าเจริญวัยก็เป็นภาษาที่แปลกนะคือเจริญก็คือเจริญวัยยะก็แปลว่าเสื่อมคือความเสื่อมที่ปรากฏออกมาในรูปของความเจริญคือเราเห็นความเติบโตของรูปร่างหน้าตาของบุคคลแล้วก็ในที่สุดเนี่ย ท่านก็นแสดงให้เห็นถึงการชราก็าได้รูปชราคือความแก่ของรูปกระขันและรูปปัญชราคือความแก่ของนามกขันหมายความว่าจิตใจอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปอ่ะหลงหลงลืมลืมความจําก็ไม่ดีเวทนาก็าเจ็บอดอดแอดแมันก็เป็นอาการของความแก่พลันชราจึงมีลักษณะที่ท่านนิยามว่าเป็นความแก่งอมของขันเป็นลักษณะทั้งรูปกขันทั้งนามกะขันนะฮะ เราลองสังเกตดูเถอะเวลาเราแก่แล้วมันไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยกระปรี้กระปล่ไม่ค่อยปองไวแล้วก็อืดเฉื่อช้าก็เป็นธรรมดานะฮะใครถึงจุดนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วทาหน้าที่ชุดลากชีวิตเข้าไปหาความตายอ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกับขับเคลื่อนคือท่านอุปที่ทตรงอุ ป, ปมาสมัยนั้นเนี่ยอุปมาเหมือนกับนายโคบาลต้อนโคไปสู่ที่หา ก, กินดูแลไม่ค่อยน่ากลัว เมไปได้กินแต่ถ้าเราเทียบปัจจุบันเนี่ยจะง่ายอุปมาในีที่จริงเปลี่ยนได้นะะคืออุปมาเนี่ยให้มันคนสามารถมองเห็นได้แต่ธรรมะไปเปลี่ยนไม่ได้เช่นสมมุติว่าเราจะอุปมาว่าบาปย่อมติดตามบุคคลไปมันลอกเวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นเนี่ยส่งแสดงอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรามาพูดกับเด็กนี่ยุ่งตายเลยเนะว่าลอกเวียนติดตามรอยเท้าโคไปเอเกวียนหนูเคยเห็นเวียนไหมไม่เคยเห็นตาแล้ว มันต้องเขียนรูปเปลียนต้องถ่ายภาพเปลียนมาต้องให้โคลากเปลียนอวยยุ่งจังเราก็เปลี่ยนได้ใหม่อะมันเหมือนกับความผิดของนักเรียนเนี่ยเช่นนักเรียนไม่เข้าใจวิชาเนี้ยมันก็ตามนักเรียนอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วให้โทษแก่นักเรียนตลอดอ่ะคือเราเอาที่เธอสัมผัสได้เอาที่เธอสัมผัสได้มาคุยหรือไม่จําเป็นที่จะต้องเอาอุปมาสมัยพุทธกาลมาเสมอไปเพราะว่า คือเรื่องบางเรื่องนี่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไปเห็นที่อินเดียอ๋ออย่างนี้เองคือเรื่องมางเรื่องไม่เข้าใจจริงๆนะฮะว่าทําไมอะอย่างยกตัวอย่างเชนห้ามพระสวมรองเท้าอย่างงั้นอย่างนั้นในโอกาสอย่างนั้นอย่างนั้นเยอะเลยนะฮะห้ามไว้ก็เป็นบริขารอย่างหนึ่งนะฮะจริงๆเฮ้ยทำไมต้องห้ามล่ะเพราะนึกถึงอินเดียเนี่ยมันแผ่นดินในครุขร ร้อนก็ตับแทบแตกเลยหนาวก็หน า, หนาวสาหัสกันเลยเอไม่มีรองเท้าเราจะดูไว้ได้ยังไงเป็นโรคปอดบวมตายเลยก็เกิดขึ้นออนักบวชต่างาศาสนาเนี่ยเขาไม่สวมรองเท้าสแสดงถึงความมีตะบะของคนเหล่านั้นเพราะงั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็อยู่ในสังคมที่ชาวบ้านมีความสับสนนะ แต่ชาวบ้านก็าอย่างนั้นนะ่ยนะคือการศึกษาที่มันต่างกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่สุดๆเลยมนุษย์เนี่ยเพราะว่าการศึกษาที่ต่างกันเนี่ยทําให้กิเลสมันต่างกันเพราะการศึกษาเนี่ยมันตัวขับจัดโมหะทีนี้เมื่อโมหะมันมากในโลภะก็มากโทสะก็มากริษยาก็มากอย่างเราดูข่าวบางข่าวเนี่ยคือทําตัวเหมือนเจ้าของประเทศคล้ายๆกับประเทศเนี่ยจะเสียภาษีของฉันคนเดียวแตนน่เด็กฉันนึกจะทําอะไรก็ได้ นึกจะขับไล่คนก็ได้คนไทยเนี่ยคมีสิทธิอะไรไปขับไล่เขาอ่ะเขาได้เป็นคนไทยโดยกำเนิดเหมือนกับคุณนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรออันนี้คือสิ่งที่ที่มีปัญหาอย่างในคราวที่เกิดเรื่องที่เกียรกระจงพลถ น, นอมฮนะอาบาก็ถามโปรดรัฐมนตรีที่เข้าไปนะฮะถามเราต้องการอยากรู้ ว่าที่คุณต้องการไล่จอมผลนอมเนี่ยคุณใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรมีไม่กฎหมายในโลกนี้ที่อนุญาตให้รัฐเนี่ยในประเทศราษฎรตัวเองได้มันมีเหละเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วออกมาจากไหนคือมันเราไม่มีสิทธินะ์อะเมื่อไม่มีการฐานข้องความผิดมันมีก็ว่ากันไปแต่ว่าบางอย่างในโทษนั้นมันลงไม่ได้ มันก็ลงไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงผิดถูกแต่ว่าเรื่องบางเรียกเนี่ยมันต้องมองไว้กรอบมันอยู่ตรงไหนจะม า, าทีไปเดินขบวนขับไล่เขาอย่างขับไล่ที่ประจวบอะไรบอลนอกบอลเนิกบอก่อนเอ๊ะพี่คนนะที่ของเขาเขาเป็นคนไทยเขาไม่ได้มาจากต่างดาวก็ เ, เป็นคนไทยเขาซื้อแล้วเขาก็สร้างอาคารอาคารนั่นคือทรัพย์สินเราไปทุบไปทําลายก็คือทําลายทรัพย์สินก็คือผิดกฎหมาย มันก็เป็นอนาธิปไตยและเนี่ยคือคือปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาการเห็นแก่ตัวเรื่องไอ้ถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันต้องคุยกันแต่ตรงนี้มันผิดแล้วแต่วควรสร้างหรือไม่สร้างมันอีกเรื่องหนึ่งคนลรประเด็นกันก็ต้องแยกให้ออกนะฮะว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาแต่ก็คุณมีสิทธิ์ที่จะ ตามประช า, า ร, ราชาอะไรแต่ไหนก็ว่ากันไปตามมีกฎหมายต้องรองรับะนะมาความกฎหมายต้องรองรับนี่คือปัญหาปัญหาที่น่าคววงในเรื่องของการพัฒนาปัญญาเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ยุ่ ง, งทุกเตียนเราสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วก็คือยังนึกถึงถึงเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายในยกฎหมายเนี่ยนักปราชทางกฎหมายเป็นคนร่างคิด แต่คนไปใช้กฎหมายเนี่ยเด็กม .6 เป็นนายตำรวจเนี่ยเป็นเป็นตำรวจเป็นพลตำรวจเด็กม .6 เด็กอาชีวะและ้วแกจะเข้าใจกฎหมายได้ลึกซึ้งอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเรามีปัญหาเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาแต่ก็ปล่อยมีปัญหาอย่างเงี้ยเพราการทําความเข้าใจกับสิ่งต่งางๆเนี่ยการศึกษาเรียนรู้เป็นความจําเป็น พอถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ดูว่ามันแก้ไขได้หเปล่าถ้าแก้ไขไม่ได้ไปยุ่งมันทำไมคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างโบราณก็ห้ามลากไม้เอาปลายไปเพราะกาแล้วมันเหนื่อยมันไม่ถึงกับไม่ไปหรอกมันก็ลากได้นะถ้าไม้ไม่ใหญ่เกินไปจะ แ, แสดงให้เห็นถนะึงความไม่ฉลาด เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ลักษณะของชราเนี่ยเป็นการเน้นให้เห็นว่ามันจะเป็นตัวขับเคลื่อนคล้ายๆกับคือรภาพที่ชัดเนี่ยนะภาพที่ชัตเวลานั่งกลางถนนเนี่ยมันนึกถึงรถบรรทุกสัตว์ไปโรงฆ่าสัตว์คือบางทีก็นั่งรถก็ตามหลังท้ายรถตรงนี้เรานึกว่าเออเนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็ทําให้เห็นว่าการเดินทางของชาราการขับเคลื่อนชีวิตของชาราผู้ไปสู่มรณะเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติว่าต้องถึงตรงนั้นแล้วตายก็ความตายจริงๆเนี่ยมันก็เรียกว่ามีกาละมรณะอากาละมรณะแล้วจะโตจนถึงคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกข์กันถ้าเราเทียไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเปลวเชียนที่เราจุดขึ้น โดยปกติแล้วไส้หมดไข่หมดก็เถียนก็ดับแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนียบางทีไส้หมดไข่ ย, ยังอยู่ก็ดับได้บางทีอไส้หมดไม่ใช่คือไข่หมดไส้อยู่ก็ดับได้บางทีก็หมดทั้งสองอย่างก็ดับได้อันนี้มันแน่นอะแต่บางอย่างเนี่ยมันมันอยู่จังอยู่พร้อมทั้งสองอย่างเนี่ยก็ดับได้ฉนถูกล้มพัดถึงว่าเทียนมันหกล้มอะไรแต่ออไรเนี่ย ัลชีวิตเรามันจะมีลักษณะอย่างนั้นถูกขับเคลื่อนไปสู่ความตายก็ อ, อาจจะตายเกิดระหว่างทางเกิดอบุบัติเหตุก็ได้นะฆ่ากันเองในนั่นก็ได้ต่อ ส, สู้กันเองาอาจจะมีโรคอะไรเข้ามาตัดก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลไอ้ไม่ใช่โรงคยาศา์ก็ได้ชีวิตเราก็ถูกขับเคลื่อนไปในลักษณะอย่างนั้นมรณะความตายนี่มีความหมายดังกล่าวไว้ในวันก่อน แต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยท่านจาแนกเป็นรูปมรณะคือความตายของรูปปักขันคือความไม่เที่ยงแห่งรูปหรืออนิจจารูปคือรูปมรรารูปมรณะความตายอย่างนามขันได้แก่ผวังขณนะคือจิตเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับแล้วก็มันมันตกผวังฮะก็ได้ตกผวังแต่นี้อย่าไปเอารายละเอียดขนาดนะั้นะมันมันรายละเอียดมากเกินไปคือต้องกังดูที่สมาธิ หมายความมาถ้าเราไม่ได้สมาธินี่เราเห็นไม่ได้เราพูดโดยปริยัตินี่ได้คือขณะที่นามขันดับไปเนี่ยจะเข้าในประเภทของสังขารขันเนื่องจากมีลักษณะปรากฏแก่สิ่งเดียวกันจึงรวมเรียกว่าชราเมรนะชรามรณะเนี่ยก็ติดกันนะเราจะเห็นว่าชราเนี่ยมันชราอยู่ทุกขณะที่จริงก็คือตายอยู่ทุกขณะ แล้วก็หนังตายผมตายเล็บตายะตอะไรแต่ไเนี่ยก็ตายก็ ก, ก, ก็ก็อาการชรตาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอาการตายอยู่ด้วยทีนี้ในมรณะเนี่ยมันมันจ ะ, สะแสดงให้เห็นถึงการมีสังสารวัตคือมีตัวเชื่อมต่อมรณะแล้วเป็นไหนล่ะเห็นไหมมรณะแล้วก็คือเป็นการออกจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่ง เขาเรียกว่าจากโลกนี้อาจจะสู่โลกนี้จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นไปสู่โลกอื่นอื่จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นอก็ไม่รู้เป็นการออกจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งเพราะท่านจึงบอกว่ามีการเคลื่อนจากพบเป็นลักษณะพบก็คือที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยอ่ะซึ่งอาจจะเปลี่ยนที่เกิดหรืออาจจะเกิดในสกุลนั้นก็ได้ก็ไม่ว่าอะไร อย่างที่เคยเล่าเรื่องเจ้าพยาสุรศักดิ์มณีที่ในประวัติของท่านเนี่ยบอกว่าในชาติก่อนท่านก็เป็นลูกของแม่ท่านแต่ว่าเป็นผู้จิงกำลังอยู่วัยน่ารักก็ตายยายก็เสียดายหลานก็นิ้วไปกดไว้ที่ก้นหม้อนะแล้วก็ไปกดไว้ที่ตรงคอตรงลูกกระเดือกแล้วก็สั่งเอาไว้ว่า ให้กลับมาเกิดเป็นหลานใหญ่อีกแล้วตอนมาเนี่ยให้เอาใเอาลายนิ้วมือที่เจอไว้เนี่ยมาด้วยแล้วต่อมาก็ได้หลานชายคนหนึ่งก็มีรอยเจิมอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเจอมนั่นก็แสดงว่าก็เคลื่อนย้ายจากพบมาก็มาได้ได้พบใหม่แต่พอดีก็กล้กล้แล้วก็มีหน้าที่ในการทำให้พลากจากพบนี้ หมายความวามรณะเนี่ยคือคือคื อ, คอตายจริงๆอะ่ะทาให้พรากไปจากภพนี้แต่ว่าจะเกิดในภพนี้หรือเกิดในภพอื่นอะไรก็ตามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการย้ายจากคติที่เกิดเป็นผลหมายความวาเราเกิดในคติสุขติทุกติหรือว่าหมายถึงสถานที่ก็ได้นะอคําว่าคติเนี่ยอาจจะหมายถึงสถานที่ที่เราเกิดหมายถึงภพที่เราเกิดหมายถึง การมาพบรูปพอบอารูป พ, บ, ปพบหรือบางทีก็หมายถึงครอบครัวสกุลต่างๆเี่ยพวกติสมบัติกติวิบัติแล้วมีชารลาโมนะเป็นเหตุมีชารลาเป็นเหตุกล้เกิดที่นี้ชารลาเนี่ยต้องต้องเข้าใจนะฮะว่าเกิดแว่มาถึงนี่ก็ชารลาเลยแหละมันก็เป็นอาการเลื่อนไหลของชีวิตนี่คือคือหลักของปฏิจจสมบัติที่ขยายในเนื้อหา คือความหมายขององค์ธรรมให้ดูซึ่งท่านฟังจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สองช่วงใหญ่ช่วงแรกก็คือวิชาสังขารสร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณพวกนี้ก็ไหลมันเลยเป็นนามรูปอายตนา ภ, าภาษาเวทนาห้าอย่างนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ต่อเข้ามาเป็นตะนาุประธานก็กิเลสใหม่ลฮะกิเลส ตกลงว่าเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากสองช่วงนะฮะกิเลสกรรมวิบากช่วงแรกนั้นอวิชากับสังขารเนี่ยก็เป็นตัวผลักออกไปจากพบหนึ่งไปสู่พบหนี่งก็กลายเป็นวิญญาณทีนี้พอมาถึงอะไรละมรณะในชาติเนี้ยมันก็ผลักไปอีกชาติหนึ่นในความเป็นมรณะนั่นแหละมันก็มีกิเลสมีกรรมมีวิบากอยู่ หมายความว่ามีตันหาเบี้ยวิชามีสังขารมีวิญญาณอยู่ก็หมุนวนในสังสารวัตเพราะว่าในประเด็นต่อไปเนี่ยจะมองในแง่ของภาวะจักซึ่งก็มีนัยยะที่น่าศึกษาท่านบอกว่าเป็นล้อแห่งชีวิตนะเพราะชีวิตมันจะหมิหมุนวนใกล้ๆกระบวงล้อแบบล้อเนี่ยสมัยโบราณในจักเนี่ยมันมันใช้เยอะจักก็ที่จริงก็คือล้อนะฮะหรือว่าจักที่เขาใช้กว้างนะฮะ สี่คาถาจักสังของมนาลัยเนี่ยเราก็ถือว่าจักถือไม่อากําหนดเงื่อนไขเอ่อเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายได้นะฮะบางครั้งก็เรียกว่าสังสารจักรหรือสังสารวัตรมันมีลักษณะที่หมุนบุญกิเลสกรรมวิบากอย่างนี้ก็ยกไว้ในวันก่อนท่านบอกว่าล้อแห่งชีวิตเนี่ยมันมีวิชากับภาวะตัณหาเป็นดุมคือตอนนึกถึงล้อแบบล้อเกวียนนะนะแบบล้อเกวียนเนะี่ยตอนนึกถึงตรงนั้น หรือภาษาเราก็ไอ้ล้อปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะเขาเรียกอะไรบ้านก็ไม่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นมูลหรือเป็นแกนสำคัญแล้วมีอภิสังขารคือบุญคือบาปคือเนนชาแล้ววิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นซี่กังกรรมแล้วก็มีชารามนะเป็นกรงเป็นกรงก็คล้ายๆกับอะไรล่ะตรงตรงหัวหมุนนะ แล้วก็สอดไว้ด้วยเพลาอันทาด้วยอาสวะสมุทยัยอาสวะก็เป็นเหตุเกิดนะอาสวะก็คือกิเลสพูดง่ายกว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันให้หมุนแล้วก็ประกอบไว้ในตัวรถขึดไรพบคือพบทั้งสามกรรมภพรูปภพเนี่ยแล้วก็หมุนไปตลอดกาลเรียกว่าหาเบื้องตน้นหาที่สุดไปได้ก็หมุนกไปเรื่อยอะ่ะ ตราบใดที่มีกิเลสกรรมไมบาปกิเลสกรรมไมบาปกิเลสกรรมไมบาป ม, ม, มันก็หมุนไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรจบก็ไม่ไม่รู้สิมันต้องไปทําลายกิเลสหรือทําลายกรรมเพราะงั้นเวลาเราเรียกพระอระหันต์เนี่ยเรียกว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวักรหมายความว่าทําลายอาวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรม อันนี้คือกรรมของสังสารวัชรงซึ่งในที่นี้ท่านท่านท่านท่านยกเอาเฉพาะตัวกรรมมานะแต่ที่จริงๆมันในความเป็นกรรมน่ะแหละมันก็มีกิเลสอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่ทําบาปแม้จะอยู่ในที่ลับก็ตามจึงเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา เราแสดงให้เห็นว่าท่านก็หลุดพ้นจากไตรภพคือไม่เกิดในภพไม่มีการหมุนวนเพราะอะไรล่ะเพราะท่านดับกิเลสแล้วก็ดับกรรมบางครั้งรเรกาก็เรียกท่านว่าขีณาศพแปลว่ามีอาสวะหมดแล้วบางทีเรียกว่าอะระหังแปลว่าหักกรรมแห่งสารจักรก็หมายถึงความบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันก็ไปเรียกว่า บุญญาป่าปะ ป, า, ปายินโวคือเป็นผู้ละได้ทั้งบุญทั้งบาปบุญบาปที่ละได้เนี่ยคือบุญบาปขณะที่ดับกิเลสเนะฮะดับกิเลสกรรมก็ดับตั้งแต่ขณะนั้นไปแต่บุญบาปก่อนเนี่ยไปละมันไม่ได้มันเป็นเรื่องอดีตเขาก็ตามมาให้ผลได้นะพระพุทธเจ้าพระราหันทั้งหลายก็เจอผลของกุศลนะกุศลกันเนยอะของพุทธเจ้านี่ที่ท่านรวบรวมไว้ก็มีรู้สึกอยู่ประมาณสิบเจ็ดครั้ง เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีนะบางอย่างคนก็บอกว่าโอ้โหอนุภาพประพฤติยาพระเจ้าบอกไม่ใช่หรอกมันเป็นอนุภาพของบุญบุญในดีกขาตามมาให้ผลคือยังนึกตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดเมืองเวสาลีนะฮะที่เกิดทุพภัยมีการจัดเตรียมกันยาวแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะหลายวัน น, นนะ อย่นี้น็ อ, อโรคระบาดเหตุทำไมเตรียมอย่าโอาขม้าสาร อ, อย่างงั้นทำไมไม่ให้รีบเสด็จมันเป็นเรื่องบุญที่มาให้ผลแล้วก็คือจังหวะเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพูดง่ายยังไม่ถึงเวลาเมยังไม่ถึงเวลาเนี่ยถ้าคืนไปแก้มันก็แก้ไม่ได้เราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันดูเอ๊ะมันทำไมไม่แก้ก่อนล่ะ ยังเหมือนกระจาย์การเสด็จไ ป, ปดโปรดจวนองคุลิมาเนี่ยผู้เจ้ารู้แสนรู้นะฮะพอจวนองคุลิมานะเรา ว, วาดอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นหน้าแกมืดอ่ะใจแกไม่คลายเพราะว่าแกมุ่งไปจะหาไอ้ศพตั้งตั้งพันศพตั้งพันคนน้ามืดมันพูดจะไม่รู้เรื่อง เพราะฉั้นตอนวันนั้นมันก็ได้การสิก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ยังเหลืนิ้วเดียวเละสบายล่ะก็ลังจะได้จบศิละปะวิทยาล่ะแล้วพอดีแม่ของแกก็ออกตามด้วยนะฮะผู้เจ้าก็ต้องเสด็จไปขวางไว้ก็มีวิธีการต่างๆแล้วยนอกกว่าจะลงตัวเนี่ยต้องใช้อุบายวิธีเยอะเช่นว่าเปล่งจะพันรังสีรอบพระเสียรด้านละวา องค์ริมานก็งงแล้วโอุ้ยพระอะไรมีไฟสว่างโพรูงอยู่รอบัววิง่ยยงไล่ไปไล่ยังไงก็ไม่ทันระยะเวลาเท่าเดิมอยู่นั้นแหละดูก็พระองค์เดินไปเรียบๆธร ร, รรมดาน่าจะทันเกิดสงสัยร้องเรียกต้องเรียกด้วยความสงสัยนะไม่จะอยากฆ่าแล้วมันอยากรู้แล้วสมณะหยุดก่อนพระเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วแต่เธอแนตะ่สิ่ไม่หยุด ยิงสงสัยใหญ่เลยเฮ้พูดยังไงนั็จแล้วก็ถามพระเจ้าก็อธิบายเห็นไม้มว่าความสงสัยเนี่ย ม, มันแก้ดโดยโดยในโสภณสิการก็ให้ความคิดนะว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษร้ายสัตว์ไม่พกพาัตอาวุธเครื่องประหารแต่เธอนั้นยังไม่หยุดเธอ ย, ยังฆ่าสัตว์ยังเบียดเบียนสัตว์ยังประทุษร้ายสัตว์มีมือชุบ ด, ด, ด, ดูโลหิตโอยเข้าใจเลย เข้าใจก็ทิ้งบาปนะ็้าพ้า ย, ยังนึกนึกจินตนาการเอานะว่าโจนองกริมาเนี่ยองค์ไอหญิงสกะกู ม, มาเนี่ยเป็นลูกของคัคคับุโรชิตกนางมันตานีพรามณีแล้วก็เป็นเด็กอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็คงเคยเห็นพระพุทธเจ้าตอนเด็กๆพอพระพุทธเจ้าหันประพักมาเนี่ยมันนึกออกทันทีเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้วก็ดาบก็ร่วงตกใจด้วยดีใจด้วย แล้วก็จิตก็อ่อนนะอ่อนพร้อมเพราะว่ามันปรับสภาพมาโดยลําดับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการทํางานใน่น่าศึกษาอย่างจริงนั้นก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่นุนเนื่องของของกุศ ล, ลกรรมคือหมายความว่าเอากุศลเนี่ยแทรกเข้าไปก็เอาอโมหะเนี่ยแทรกเข้าไปในทํากลางโมหะเนี่ย คล้คาๆกับจุดไฟขึ้นทำกลางแสงสว่างไม่ใช่ทำกลางความมืดแล้วในสุดมันค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นก็เห็นเหตรผลมากิงขึ้ น, นต้องังทั้งหลายแต่รูปปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงด ง, งามไปบูรในธรรมจุมีมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี